ช่วงนี้เรายังอยู่ในภาคเรียนคําอธิบายอยู่คืออย่างอธิบายธรรมะสองร้อยหนึ่งยังไม่จบเลยในธรรมะสองร้อยหนึ่งเนี่ยในพระพุทธพจน์แสดงถึงปิยรูปสาตรูปเนี่ยเรียกว่าธรรมะสามสิบในทวารหกนะธรรมะห้าในทวารหกรวมเป็นสามสิบเป็นธรรมะที่มีใช้บ่อยมากในพระไตรปิฎก นะซึ่งหลายท่านควรจะทรงจำไว้นะธรรมะสามสิบเนี่ยนะซึ่งมีใช้มากจริงๆในพระไตรปิฎก น, นะเพราะเป็นเหมือนกับอะไรนะตัวยาสรารพัดโรคสามารถเอาไปแปรรูปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งหมดเลยในโดยเฉพาะธรรมะสาสิบเนี่ยนะถ้าใครอยากจะได้พิสดานก็สองร้อยหนึ่งข้อก็ได้แต่ถ้าเวลาไม่ค่อยมากนักเอาเฉพาะสามสิบเป็นหัวข้อตั้งก็ได้นนะ ในหัวข้อทั้งสามสิบหัวข้อเนี่ยนะก็จําแบบฉะฉะกระสูดก็คืออาศัยจักขู่กับรูปเกิดจักรขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาพระภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาถ้าทวารหูละ่ะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณธรรมะสามประการประชุมกันเป็นภาษาพระภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิด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 มโนใช่อาศัยมโนโกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยเจีงเกิดเวทนาเมื่อใดที่เราสาธยายกระจายคณะสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะควรควรฝึกเจริญไว้เป็นอย่างยิ่งเป็นบาทของการกำหนดรู้หรือเจริญญาตะปริญญาเป็นอย่างดีคือไม่งั้นเนี่ยชีวิตในแต่ละทวารของเราก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหมดไม่มีการ วิเคราะห์ไม่มีการแยกแยะเนี่ยนะนะก็มาฝึกสาทยาแยกแยะอย่างนี้ไปก่อนนั้นบางคนเนี่ยฟุ้งซ่านเกินตาที่จะตรึกนะก็มาสวดแบบนี้ไปเนะีนะ่ยก็ไปสวดอย่างเงี้ยคือเวลาสวดเราก็นึกถึงทวารตาเนี่ยนะเช่นลืมตาก็สวดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นอะไรก็ได้เห็นนาฬิกาเนี่ยอาศัยจากขูก่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษเพราะภาษาเป็นปจัจจัยจึงเกิดเวทนา บุตรีทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุก ข, ขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเราเห็นอย่างอื่นเราก็สาธยายอยังงี้อีกนะก็ฝึกสาธยายอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ ใ, หให้จิตมันคุ้นเคยกับการคิดตามพระธรรมเนี่ยนะให้จิตเป็นตากับพระธรรมซึ่งบางคนที่เริ่มศึกษาพระธรรมใหม่ๆสาธยายแบบนี้มันเป็นบาศเราอย่าไปเทียบหรืออย่าไปคิดแข่งกับคนที่เป็นทยาอินทรีย์ทั้งหลายเราก็ต้องรู้ว่าเรานนกระจา นะเป็นนกกระจิบนกกระจาบเราก็ต้องคิดแบบนกกระจาบก่อนนะนะแล้วก็เดี๋ยวนานๆเข้าลูกนกพวกนี้มันจะโตเป็นทยาอินทรีย์ในอนาคตต่อไปนะนะค่อยวู้แตกชานกว้างขวางก็อย่าเพิ่งเลยเอาเอาเนี่ยเฉพาะให้มันได้เจริญได้เป็นเฉพาะหน้าเนี่นะในทวารทั้งหกเนี่ยฝึกเจริญไว้เถอะเี๋ยวนะปะนาดได้แล้วนะอย่างเงี้ได้มานานแล้ปะปนาดได้คนหนึ่งก็โอ้คนอื่นได้หมดแล้วปนาดเป็นมาตรฐานชั้นล่าง ปัญหาแก่งอยู่แล้วไม่ใช่ถ้าปนญหาได้นะคนอื่นจะมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยไหมคือถ้าฝึกสาธยายบ่อยๆเนี่ยนะถ้าลองเจริญเถอดสาธยายแบบนี้ซึ่งการสาธยายแบบนี้ควรสาธยายในชีวิตที่เป็นจริงนะว่าจนค่องเสร็จก็ลืมลืมตัวหนังสือให้หมดแล้วก็มาสาธยายในโลกที่เป็นจริงอย่างเช่นหูได้ยินเสียงนกร้องก็ได้ อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นทะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีพระภิกษุรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาบวชแล้วก็ชวนท่านสาธยายเหล่าเนี้นะในครั้งแรกๆเพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นจเจริญได้ไม่ต่อเนื่องคือถ้าไปฝึกเจริญอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะธรรมะอื่นๆจะเข้ามา ถ้าทรงจําตรงนี้เป็นบาทได้แล้วเนี่ยนะก็จักขู่ควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจักขูวิญญาณควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทจักขู่สัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกข์แม้สุขเวทนาที่มีจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยควรรู้ยิ่งก็จะได้อะไรจำอะไรได้แล้วปริญญาธรรมนี่จําได้แล้วทั้งสวารคหกทีนี้ถ้าจะเรียนปริญญาธรรมก็คือจักขู่ควรกําหนดรู้หรือว่าจักขู่ควรทําปริญญา รูปควรทำปริญญาจักขูวิญญาณควรทำปริญญาจักขูสัมผัสควรทำปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำปริญญาจักขูควรละรูปควรละจักขูวิญญาณควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละนีนีจักขูควรทำให้แจ้งรูปควรทำให้แจ้งจักขูวิญญาณควรทำให้แจ้ง จกักระสัมผัสควรทําให้แจ้งแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจกักขะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทําให้แจ้งเราก็ได้ตั้งสี่หัวข้อแล้วใช่ไหมคือหนึ่งอภินัยยธรรมสองปรินยยธรรมสามตหาตปรธรรม 4. สี่สัจจิกาตปรธรรมทีนี้ถ้าเราจะสาธยายเป็นอธิตตาปริยยสูตรก็ได้เลยจกักระเป็นของร้อน รูปเป็นของร้อนจกักรวิญญาณเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทน า, านจักรู้สัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกข์มสุขเวทนาที่มีจักขู้สัมผัสเป็นปัจจั ย, <S <S จจยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะาใชถ่ถ้าเจออิทธารมนี่ราคะเกิดเลยใช่ไหก็ร้อนถ้าเจออนิธารมไฟคือโทสะก็เกิดถ้าเป็นมัชฌัตารมากลาง ไฟคือโมหะว่เผ า, าทีนี้ถ้าไฟคือราคะโทสะโมหะเผ า, าและอะไรเกิดชาตนนะิเพราะเป็นที่ตัวตาหูตัวตารูปจัคคูวิญญาณทัสสะเวทนาเนี่ย น, นะเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีชรามีมรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเนี่ย น, นะพวกนี้เป็นของร้อนทีนี้ถ้าพื้นฐานเรา พิจารณาโดยไฟคือราคะโทสะโมหะเผาไฟคือชาติชรามรณาโศกาปริเทเทวทุกขโทมัตอุปาญาตเถาการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าเจริญทุกขานุปัสสนาหรือเจริญตีระาปริญญาแบบทุกขานุปัสสนาถ้าเราพิจารณาแบบอ น, นิจจานุปัสสนาล่ะก็พิจารณาว่าจักโหเนี่ยไม่เที่ยง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 จกักรวิญญาณก็เหมือนกันไม่เที่ยงนนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือถ้าเราทรงจําจูละราหูโลวาทัศน์เป็นต้นก็บอกดูก่อนราหูจกักขรเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ถามชื่อเราก็ได้ใช่ไหมดูก่อนอ้วนจกักขรเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยเราก็ตอบเองก็ได้เหมือนกันไม่เที่ยงพระเจ้าขาอย่างเงี้ยเราก็ว่าของเราคนเดียวก็ได้ดีไหม นะก็ลองลองถามดูนะอย่างนี้ก็ได้ก็ไล่ไปเนี่ยครบสามสิบนี่ก็ได้จูลราหูโลวาถ้าสูเราก็จําได้นะ้วถ้สู่ตั้งมากในนะที่เราจะมาสาธยายอ่านสั่งยุติการเออเนี่ก็เรื่องที่เราจเจริญอยู่ทั้งนั้นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะแตกชานพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆทันทีเลยถ้าสาทยายไนดะ้อย่างนี้เพราะว่าเป็นอยู่ในกลุ่มธรรมะที่เราจเจริญอยู่แล้วเห็นไหม ก็สังสมอธิยาสายถ้าเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถามอย่างนี้ผางแ น, น่บรรลุแ น, น่ก็ต้องถ้าบางสูตรเนะี่ยก็บอกว่าปโลกะสิ่งทั้งปวงเป็นของสลายอะไรสลายจากขู่สลายรูปสลายจากขูวิญญาณสลายจากขู่สัมผัสสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุก ข, ขมสุขเวทนาสลายอันนี้ถ้าถ้าพูดแบบโลกะปะโลกะเนี่ย น, นะ โลกหรือสลายบางสูตรบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของศนดูก่อนอนุนอะไรศูนย์จักขคู่เป็นของศนรูปเป็นของศนจักรคูวิญญาณเป็นของศนแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขคู่สัมผัสเป็นตัจจัยก็ศูนย์ก็เป็นของศูนยศูนย์ยังไงก็คือจักขคู่ศูนย์จากตนศูนย์จากของ จากสิ่งที่เนื่องด้วยตน reluctant. รูปก็ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนจากครูวิญญาณก็ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ bracket, ส่งที่เนื่องด้วยตนจากครูสัมผัสก็ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเนี่ยนะแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่มีจักรสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนซึ่งโดยข้อมูลเท่าที่เราม <far> nah, ีอยู่เนี่ยนะก็เพียงพอที่จะไปพิจารณาโดย วิธีการต่างๆได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเราไปพิจารณาหรือเปล่าเท่า น, นั้นเองหรือเอาแบบอะไรนะอนุปัสสนาเจ็ดแบบที่ยมบุญกับคุณนรสาทายามเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมว่ายังไงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจากโขพิจารณาโดยความเป็นทุ ก, นกข์ในจากโขพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาในจากโขพิจารณาเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายในจากโขพิจารณาเห็นความ คลายกำหนัดในจกักขคูพิจารณาเห็นความดับในจกักขคูพิจารณาเห็นความสละคือในจกักขคูนี่ไนหรือว่าจากักรคูจกักรคูสมุ ท, ทยัยจกักรคูนิโรตจกักรคูนิโรถ้าคาไม่นีปฏิปทาอันในโลกของธรรมะเหล่านี้มีให้พิจารณาเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเพียงทํำยังไงเราจะได้มาเจริญเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักจริงๆอนะโดยเฉพาะในปฏิสัมพิธามรักเนี่ยหมุนตั้งหลายรอบมากเลยใช่ไหย มีวิธีการเอาไปหมุนเอาไปพิจารณาตั้งหลายวิธีการด้วยกันซึ่งถ้าเราประสงค์จะพ้นทุกเนี่ยนะการมาพิจารณามาเพียงเพ่งสาทะยายอย่างนี้ใขครวนอย่างนี้เนี่ยนะเจริญได้อย่างต่อเนื่องคิดว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะข้ามถึงฝั่ ง, งนะนะฝั่งที่ที่สงบระงับดับของทุกเนี่ยนะสำคัญว่าทำยังไงเราจะแบ่งเวลามาเจริญมาสาธยายมา พิจารณาท่านการพิจารณาอย่างนี้แต่ละครั้งเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยได้แต่คําก็ยังดีครั้ง ต, ต่อไปความลึกซึ้งก็จะเริ่มมีขึ้นเริ่มมีขึ้นบางอย่างนะที่ความลึกซึ้งจะมีขึ้นต่อเมื่อพิจารณาเป็นปีไปแล้วเนะพราะนัก็อย่าเพิ่งร้องเรียกเอาผลจนเกินไปนักสําคัญก็คือทํำยังไงเหตุ <h ate> คือการท่องการสาธยายซึ่งหลายคนเรียนมาเท่านี้ก็ไปเจริญได้ตั้งเยอะแล้วเนะีนะ ถ้าธรรมะสามสิบนี้ด้วยคูณโตสี่สิบด้วยเท่าไหร่โอ้เรื่องยาวเลยใช่ไหมพิจารณาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคไม่เที่ยงในจกักรสุเป็นทุกข์ในจกักรสุเป็นโรคในจกักรสุเป็นสีในจกักรสุเป็นลูกศร อ, อนจักรสุเนี่ยนะเป็นอนัตตาในจักสุมีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยขอให้มีเจริญจริงๆกันนะแต่นี้ถ้าวิธีการเยอะแยะไปหมดถ้าไม่เจริญตัวอย่างเดียวนะจบเลย ครั้งที่แล้วพิจารณาในธรรมะนั่นนะคือกลุ่มแรกเลยนะขันห้าขันห้าอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภาษะหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกนิตกหกวิจารหกนั่นนะกลุ่มนี้เป็นการธรรมะหกที่ว่าเนี่ยนะก็คือการเอาขันห้ามา จำแนก น, นะซึ่งก็อยากจะทบทวนให้ผู้ที่ยังทรงจำไม่ได้นะนะเอามามาคิดซึ่งก็ไม่ยากนักอัรนวนะิธีจำพื้นฐานจริงๆก็คืออะไรขันห้าเพราะธรรมะสองร้อยหนึ่งขึ้นต้นที่ขันห้าขันห้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณนนะนนนเนี่ยนะก็ห้าขันในขันห้าเนี่ยวิธีกระจายขันห้าออกไปเนี่ยกระจายเป็นอย่างไรก็กระจายเป็นอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกโดยมากเป็นรูปประขันเช่นตากับตากับรูปหรือตากับสีเนี่ยเป็นอายตนะเป็นรูปประขันอาศัยตากับสีเกิดอะไร จากขู่วิญญาณก็เป็นวิญญาณขันสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษะก็คือสังขารระคันภาษะเป็นตัจจัยจิงเกิดเวทนาเวทนาก็เป็นเวทนา เ, เวทนาเกิดขึ้นที่ใดที่นั่นก็มีอก็เป็นสัญญาขันนะเมื่อมีสัญญาก็มีเจตนามีอะไร ตันหาแล้วก็วิจารพิเศษตรงนี้ที่เดียวสองอย่างพวกเวทนาสัญญาพวกตันหาเออขออภยัยเจตนาตันหาวิตกวิจารเนี่ยธรรมะพวกนี้เป็นสังขารขันก็เป็นการเอาขันห้ามาจำแนกนั่นเอง